สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักดิฉันเพิ่งมีโอกาสได้อ่านหนังสือที่น่าอ่านที่สุดเล่มหนึง่งมีชื่อว่าใต้เบื้องพระยุคลบาทเป็นหนังสือที่รวบรวมบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชาจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประสบคนิกรชาวไทยทุกคน จะได้มีโอกาสรับรู้และรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณแห่งองค์พระประมุขที่มีต่อแผ่นดินไทยและราษดรของพระองค์โดยทั่วกันซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาเป็นบทความสั้นๆโดยท่านองคมนตรีดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและอดีตเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อครั้งที่ท่านได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะท่านเป็นหนึ่งในข้าราชบริพารที่ได้ตามเสด็จพระองค์ท่านไปในที่ต่างๆทั่วทุกภาคอย่างใกล้ชิดจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และได้พบเห็นสิ่งต่างๆเมื่อเวลาพระองค์ทรงงานดังนั้นเรื่องราวที่ท่านถ่ายทอดออกมาจึงเป็นเรื่องที่หาฟังได้ยากและชวนติดตามเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับเนื้อหาสาระจากหนังสือนี้ที่ดิฉันจะขอนำมาเสนอนั้นมีชื่อว่าในพระไทยมีแต่ผระสงคนิกร ซึ่งบรรยายแก่สมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเชียงใ ห, หม่พลาซาเมื่อวันที่7กรกฎา ค, คม2536ขอเชิญรับฟังในพระไทยมีแต่ผระสงคนิกรกันเลยนะคะ ในทั่วโลกนั้นมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ประมาณสิบกว่าสถาบันไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ไหนในโลกนี้ที่จะส่งงานให้กับประชาชนเท่ากับพระมหากษัตริย์ไทยคืออยู่ในสถานะที่เป็นผู้ให้บริการรับใช้ประชาชนถึงแม้ว่าจะเป็นประมุขของประเทศ แต่เมื่อคิดดูรึกซึ่งจริงๆแล้วส่งบริการและรับใช้ประชาชนจริงๆพระมหากษัตริย์นั้นเราได้มีมากันช้านานแล้วตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของแผ่นดินไทยก็มีมาแล้วเราได้ผ่านสามลักษณะของสถาบันพระมหากษัตริย์คือเริ่มด้วยพระปิตุปราชา ลักษณะการเป็นแบบพ่อปกครองลูกเช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์ในสมัยพ่อขุนลามคำแขงสมัยสุขโขทยัยต่อจากนั้นในช่วงที่สองเราผ่านมาถึงเทวราชาคือหมายความว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในลักษณะการเป็นสมุติเทพในสมัยกรุงศรีอยุธยาและต่อไปนั้น ก็มีพระธรรมศาสตร์คือได้อิทธิพลจากพวกมอนมาก็เป็นพระธรรมราชาจะเห็นได้ว่าในหลวงของเราพระองค์นี้มีความเป็นพระมหากษัตริย์เพียบพร้อมทั้งสามาลักษณะคือลักษณะปิตุราชาเทวราชาและธรรมราชาโดยสมบูรณ์ หลังจากที่ได้มีพระปฐมบรมราช อ, องค์การครั้งแรกตอนที่ทรงขึ้นคลองราชว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สูงแห่งมหาชนชาวสยามและได้ทรงคลองราชมายาวนานที่สุดได้ทรงอยู่ในหลักเกณฑ์ซึ่งในพระพุทธศาสนาได้กำหนดไว้เป็นหลักสิบประการคือ โทษพิธราชธรรมโดยแท้จริงและโทษพิธราชธรรมนี้มีใช่แต่พระมหากษัตริย์เท่านั้นที่สมควรที่จะดำเนินการให้เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดียิ่งหากแต่ว่าเป็นที่ยอมรับกันหมดแล้วว่าทั้งข้าราชการก็ดีพวกเราที่เป็นนักเรียนหรือประชาชนทั่วไปนั้นก็ดีก็เป็นหลักการที่จะต้องยึดถือด้วยเพราะฉะนั้น พระมหากษัตริย์ของเรานั้นได้รักรษาทศพิธราชทําสิบประการพร้อมกับหลักสังฆาวัตถุสี่สิ่งแรกนั้นคือการทำทานพระองค์ท่านรับสั่งว่าการพัฒนาประเทศของพระองค์ซึ่งทำอยู่นั้นจะใช้หลักสังฆทานคือไม่เลือกเที่ยวรักมักที่ชังไม่เลือกใครทั้งสิ้น จะอยู่ในศาสนาไหนอยู่แห่งหนใดจะเป็นชาวเขาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นั้นพระองค์ท่านก็ทรงจัดให้เป็นลักษณะการให้ทานการรักษาศีลเป็นนิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเชื่อมั่นว่าทรงรักษาศีลอย่างเข้มงวดการบริจาคทรัพย์ทำบุญทุกครั้งจะเห็นได้ว่า เวลาไปไหนเวลานี้สิ่งที่ประหลาดเกิดขึ้นคือว่าประชาชนจะถวายเงินแม้ในถิ่นที่ยากจนที่สุดเราไม่นับที่วัดพระแก้วอาจจะมีผู้มีฐานะไปเฝ้ารับเสด็จบ้างแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนยากจนที่สุดประชาชนถวายเงินบางครั้งแบงค์สิบยสยูยี่ ถวายเงินพระองค์ท่านคือหมายความว่าเขาให้สิ่งที่เขาขาดแคลนที่สุดแล้วเพราะฉะนั้น10บบาท1 0 0บาทอาจจะไม่มีความหมายอะไรแต่สำหรับคนยากจนที่ถวายพระองค์ท่านนั้นมีความหมายอย่างลึกซึ้งมากเพราะนั่นหมายความถึงชีวิตของเขาหมายถึงอาหารการกินในวันนั้นของเขา หรือตลอดอาทิตย์นั้นก็ได้แต่เขาก็ยังถวายเมื่อได้ถวายมาแล้วก็ตามจะเป็นจำนวนเงินเท่าไรนั้นพระองค์ท่านได้รวบรวมพระราชทานกลับไปที่หมู่บ้านนั้นที่วัดนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นทุนร้อนแก่ประชาชนในหมู่บ้านนั้นอีกครั้งหนึ่งมีใหญ่ว่าพระองค์ท่านได้รับบริจาคสิ่งใดก็ตาม เป็น5้าล้านส0บล้านไม่เคยเก็บเอาไว้สักนเดียวสำหรับต่อไปนั้นก็คือความซื่อตรงทางกายวาจาใจก็เป็นสิ่งที่พระองค์ยึดมั่นโดยตลอดความอ่อนโยนจะเห็นได้ว่าทรงน้อมรับไม่ว่าจะเป็นบุคคลชนไหนก็ตามจะเป็นแขกเมืองก็ตาม จะเป็นประชาชนธรรมดาก็ตามจะส่งน้อมรับด้วยความอ่อนโยนส่งน้อมพระวรากายอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเจอประชาชนนั่งราบอยู่กับพื้นนั้นก็ส่งนั่งราบกับพื้นไม่เคยส่งยืนอยู่แล้วก็รับสั่งกับประชาชนเลยไม่ว่าประชาชนนั้นจะแก่จะเท่าพื้นนั้นจะมีโคลนจะมีน้ำก็แล้วแต่ จะทรงนั่งรับกับพื้นสนทนากับประชาชนในฐานะเดียวกันเท่าเทียมกันทรงรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนนั่งอยู่ไหนทรงนั่งอย่างนั้นมีชีวิตที่จะร่วมกับวิถีชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงความประพฤติบะก็เป็นลักษณะของความอดทนและความไม่กโกรธ ความไม่โกรธหรือโมโหเคยเห็นพระองค์ท่านเคยโมโหเหมือนกันทรงมีอารมณ์เหมือนกับพวกเราเช่นกันแต่ว่าน้อยครั้งเหลือเกินมีเพียงบางครั้งบางคราวบางทีเราก็เห็นว่ามีบางบุคคลนี่แย่เหลือเกินแต่ไม่ทรงโกรธทรงให้อภัยและทรงให้โอกาสอยู่ตลอดเวลาและทรงมีรับสั่งว่าอย่าไปโกรธเขา วันนี้เขาไม่รู้สึกตัวแต่ว่าวันหนึ่งนั้นเขาก็อาจจะรู้สึกตัวได้ทรงให้โอกาสคนอยู่ตลอดเวลาและส่งไม่เบียดเบียนแก่หมูประชาราษก็แปลกใจว่าบางทีเวลาเสด็จออกไปข้างนอกไปไหนจะไม่ทรงบอกล่วงหน้าบ่ายสองบ่ายสามโมงเราจะนั่งรอแล้วจะมีวิทยุเรียกมาแล้วออกไป บางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าออกไปไหนตอนหลังมารับสั่งว่าไม่อยากบอกให้รู้เพราะบอกให้รู้แล้วท่านรองท่านผู้ว่าก็ตามท่านต่างๆก็ตามต้องแหงกันไปสร้างความยุ่งยากลำบากเพราะฉะนั้นไม่ต้องการที่จะสร้างความเบียดเบียนให้กับหมู่ประชาราชนอย่างเมื่อวันหนึ่งที่ฝนตกมากในกรุงเทพ วันนั้นรถติดอย่างมากพระองค์เสด็จกลับจากงานพระราชพิธีมาทรงวิทยุด้วยพระองค์เองเลยว่าไม่ให้ปิดกั้นให้ประชาชนกับรถขบวนนั้นเคลื่อนไปด้วยกันเห็นไหมทรงเสมอเหมือนกับประชาชนเห็นความทุกข์เข้าใจอยู่ตลอดเวลาและวันนั้นเป็นวันที่อาจจะน้อยครั้งนักที่รถประชาชนธรรมดานั้น และคู่ขนานไปกับขบวนโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือประชาชนธรรมดาส่งร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราอยู่ตลอดเวลาอีกข้อหนึ่งคือความอดทนอดทนอย่างมากซึ่งเราท่านก็เห็นแต่เราไม่รู้สึกคือการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นหน้าที่ที่ทุกทรมานอย่างยิ่ง ในหนังสือที่มหาวิทยาลัยพิมพ์กันมาบอกว่าพระองค์ท่านตั้งแต่ปี2493มาจนกระทั่งปี2529นั้นมีจำนวนการพระราชทานปริญญาบัตร490ครั้งใช้เวลาวันละ3ชั่วโมงพวกเรานั่งอย่างสบายปิดขาไขว่ห้างได้แต่พระองค์ประทับนิ่ง และยื่นพระหัตถ์ทั้งหมด 470,000 ครั้งส่งใบปริญญาบัตรฉบับละสามขีดรวมน้ำหนักทั้งหมดที่พระราชทานมา141ตันและพระราชทานไม่ได้พระราชทานเฉยๆส่งมองอยู่ตลอดเวลาโบลุดอะไรหลุ ด, รลดพระองค์ท่านทรงผูกใหม่ให้เรียบร้อยบางครั้ง เรีงเอกสารไว้เป็นเวลาหลายวันฝุ่นมันก็จับพระองค์ท่านก็ทรงปัดออกเพราะฉะนั้นความละเอียดอ่อนมีเกินกว่าที่เราเห็นเกินกว่าที่เราคิดมากสําหรับเรื่องความอดทนนั้นเมื่อวันที่ทรงพาขึ้นเขาที่นาราธิวาสเราขึ้นไปสองลูกเขาไม่ใช่เนินแบบธรรมดาเขาชันเกือบ45องศา ตรงดิ่งไปหมดฝนตกทางลื่นพระราชดำเนินอย่างรวดเร็วขึ้นไปปรากฏว่าสามารถขึ้นไปถึงบนยอดพร้อมพระองค์เหมือนกันแต่หัวใจมันจะไหวให้ได้อย่าลืมว่าเราอายุห0บกว่าพระองค์ท่าน60สมเด็จพระเทพพอเสด็จขึ้นไปถึงก็ทรงสุดพระวรกายลงนั่งพักเราก็เลยถือโอกาส เราเรายืนไม่ได้เวลาพระองค์ประทับนั่งเราก็เลยนั่งมั่งแต่ว่าพระองค์ยืนขึ้นแล้วเราก็ยังนั่งต่อเพราะลุกขึ้นไม่ไหวปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมองซ้ายขวาแล้วรับสั่งว่าไม่เห็นมีใครสู้อายุ60ได้สักคนเพราะว่าแต่ละคนมอมแมมกว่าจะขึ้นไปถึงยอดเขาได้สองลูกด้วยกัน พระองค์ท่าน60แล้วแต่ยังทรงมีพระวรากายเข้มแข็งทรงสั่งสอนพวกเราเวลาเห็นพวกเราไม่รักษาร่างกายว่าหากอยากเป็นนักพัฒนานั้นต้องบำรุงรักษาร่างกายไว้เพราะฉะนั้นระเบียบวินัยที่พระองค์ท่านวางไว้กับพระวรากายนั้นจึงเข้มงวดหนักจะเห็นได้ว่า ทรงออกกําลังกายทุกวันไม่ว่าจะมีภารกิจใดๆบางทีสเสด็จกลับมาพระราชวัง 4-5 หทุ่มยังจะทรงเดินเดินจับเวลาเป็นเวลาเท่าไรแล้วเราก็ไม่เข้าใจนึกว่าทรงรักษาพระวรากายเพื่อให้เกิดมีความแข็งแรงเพื่อส่วนพระองค์เท่านั้นเองแต่พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าไม่ใช่เพราะ เราทำงานพัฒนาทำการพัฒนาร่างกายต้องแข็งแรงเราถึงจะไปเยี่ยมเยียนประชาชนถึงทิ้นธุระกันดานได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำนั้นก็เพื่อประชาชนทั้งสิน้นนอกเหนือความอดทนแล้วจะต้องมีคุณสมบัติอีกสี่ประการซึ่งพวกเราคงต้องยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิตไ้ด้วยเช่นกัน อันแรกนั้นได้แก่ความรู้ในเรื่องอาชีพที่เราเรียนกันอยู่เราสอนกันอยู่นั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาชีพที่เราจะต้องทํากันต่อไปในข้างหน้าทั้งสิน้นพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษศัตริ์ทรงเรียนรู้ในเรื่องอาชีพของพระองค์ทรงไปทำเรื่องเกษตรทรงเรียนรู้ในเรื่องน้า จนขณะนี้ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำคนหนึ่งของประเทศทรงสามารถหยิบยกแผนที่ขึ้นมาใช้เวลาดูเพียงสองนาทีแล้ววางกำหนดจุดที่จะสร้างอ่างได้ทันทีแล้วเขียนให้เสร็จเลยว่าสร้างอ่างตรงไหนบริเวณน้ำท่วมจะกินพื้นที่เท่าไหร่ทันทีทันใดเลยภายในสองสนาทีเท่านั้นเองหลังจากมีความรู้เรื่องอาชีพแล้ว สิ่งต่อไปที่เป็นหลักการคือความรู้ในเรื่องคนและสังคมทรงรู้เรื่องคนและสังคมอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนจะเสด็จประพาสแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นทรงสศึกษาพื้นที่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นอย่างจริงจังเมื่อไปถึงเผ่ากะเรียงทรงรู้ขนบประเพณีของทางด้านเผ่ากะเรียงอย่างแท้จริงว่า เขามีวิถีชีวิตของเขาอย่างไรในการพัฒนาต่างๆนั้นจะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในท้องถิง่นหรือในสังคมนั้นๆเป็นอันขาดจะยึดสิ่งต่างๆนั้นเป็นโจทย์พระองค์ท่านทรงเคยสอนนักศึกษาเมื่อคราหนึ่งเป็นนักศึกษาที่ไปออกค่ายทรงสั่งสอนว่าเวลาเข้าไปในหมู่บ้านหรือทาอะไรต่างๆ ให้เอาชาวบ้านเขาเป็นครูเรามีวิธีวิเคราะห์วิจัยเอาความรู้เข้าจับแล้วจึงจะเสนอแนะเขาต่อไปไม่ใช่ไปสั่งสอนหรือนำชาวบ้านอีกข้อหนึ่งคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีความสามารถเอาชนะใจคนอันนี้เป็นหลักประการที่สามที่จะต้องยึด ซึ่งพวกเราก็ควรจะต้องยึดด้วยการอยู่ร่วมกันนักศึกษาอยู่ร่วมกันก็ตามครูบาอาจารย์อยู่ร่วมกันก็ต้องมีสิ่งที่กระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรอยู่ตลอดเวลามันมีสองแง่ที่จะเกิดขึ้นคือ 1. ทะเลาะกันหรือ 2. เอาชนะกันเอาชนะใจกันด้วยความดีเอาชนะใจด้วยเหตุผลต่างๆ เวลามีพระราชดำริอะไรขึ้นมาแล้วทรงใช้เวลานานทีเดียวที่จะรับสั่งกับพวกเราหน่วยราชการหรือชาวบ้านให้เราเห็นความจำเป็นที่จะทำขึ้นมาอย่างสมมติว่าสร้างอ่างขึ้นมาอ่างหนึ่งก็มีผู้ได้รับประโยชน์คนที่อยู่หน้าอ่างก็ได้รับประโยชน์พื้นที่อ่างก็คือบ้านเรือนถูกน้าท่วมก็ทรงจะต้องเอาชนะใจให้ได้ว่า การเห็นประโยชน์ส่วนรวมนั้นใหญ่กว่าประโยชน์ส่วนตนและก็เอาชนะใจของผู้ได้รับประโยชน์นั้นให้มารับภาระใจของผู้ที่เสียประโยชน์ด้วยว่านี่เขาเสียที่ไปเพราะน้าท่วมเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับประโยชน์ต้องแบ่งสรรปันส่วนเจือจุนมาให้คนที่อยู่ที่ราบรุ่มถูกน้ำท่วมดังนั้นจะทรงทําอยู่ตลอดเวลา พระมหากษัตริย์นั้นอยู่ในสถานะที่ทรงทำโน่นทํานี่ก็ได้แต่ไม่เคยเลยสักครั้งเดียวที่จะสั่งการในลักษณะนั้นพระองค์จะรับสั่งอย่างนิ่มนวลอย่างอ่อนโยนเห็นด้วยหรือเปล่านี่ฉันทําอย่างนี้เห็นด้วยไหมลองดูซิมีเหตุมีพลหรือเปล่ายอมไหมบางครั้งเราฟังเราต้องนั่งย่อตัวลงไป คือพระองค์ท่านอยู่ในฐานะที่จะสั่งแต่ไม่เคยสั่งกลับมาถามบอกยอมไหม้ยินดีหรือเปล่าแล้วก็ไปพูดกับคนอื่นบางครั้งว่านี่ถุงเงินเขาไม่ขัดข้องแล้วนะเขายอมแล้วรับสั่งเหมือนกับว่าอยู่ในฐานะที่เท่าเทียมกันหรืออะไรในลักษณะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทรงใช้อยู่ตลอดเวลา ที่สามารถเอาใจคนได้และสิ่งที่พระองค์ทำกับชาวบ้านข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องในการปรึกษาหารือนั้นแท้ที่จริงก็คือทรงทมประชาพิจารณ์นั่นเองและทรงทรมาหลายสิบปีก่อนคำว่า Public hearing จะถูกนำเข้ามาในเมืองไทยเสียด้วยซ้ำไปอีกข้อหนึ่งคือปียวาจา คือวาจาที่ไพเราะเพราะพลิ้งในสิ่งนี้เกือบจะไม่ต้องพูดใครที่เคยไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชนีนาถนั้นจะได้รับความชื่นอกชื่นใจกลับมาทั้งสิน้นทรงมีแต่วาจาที่อ่อนหวานและอ่อนโยนซึ่งทำให้เราซาบซึ้งและก็ตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อครั้งที่เสด็จในภาคใต้บางครั้งฝนตก พระองค์ท่านรับสั่งถึงตัวยุกยือคือตัวทากในภาคใต้ฝนตกทากจึงมากทีเดียวแล้วมันเข้ามากัดเราอย่างชนิดที่ว่าต่อหน้าต่อตาตัวรื่นกระดิกกระดิกแล้วกระโดดพุ่งเข้าใส่เลยต้องหลบกันบ้างอะไรกันบ้างปรากฏว่าวันหนึง่งตัวทากกัดกันอย่างมโหฬารโดนกันไป พระองค์ท่านก็โดนเช่นเดียวกับพวกเราเหมือนกันกัดพระสอเลือดโชคไปหมดรถที่แล่นอยู่ก็บอกหยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวจับตัวยึกยือก่อนพระองค์ท่านไม่เคยค่าพระองค์ท่านทรงทาอย่างนิ่มนวลจับตัวทากค่อยๆปล่อยออกไปข้างนอกทรงวางตัวทากตกลงมาบนแผ่นที่ค่อยๆปัดเป็นเราก็วี่คยีไปแล้วด้วยความเจ็บใจ เพราะว่ามันอุสาหลิมเลือดเราไปมีเพื่อนคนหนึ่งโดนท่ากัดทั้งหมด14ตัวส่งรู้ด้วยว่าหยุดตรงกิโลเมตรไหนไปแกะท่ากันตรงไหนส่งเอาใจใส่ดูแลอย่างมากทุกคนจะได้รับพระมหากรุณาที่คุณทุกคนเช่นกันบางครั้งเราก็ทนเอาคือไม่สบายแต่ทนเอาทนเอาอยู่เรื่อย จนกระทั่งสุดท้ายไม่ไหวก็ต้องนอนพอพระองค์ท่านทรงรู้เท่านั้นเองเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่หมอหลวงมารุมมตุ้มคนมารักษากันอย่างมากมายพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่อย่าให้รู้ว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบายทรงเอาพระไทัยใส่และทรงให้กลับมารายงานด้วยว่าอาการนั้นดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนปีอยู่ตอนหนึง่ง ได้จัดทำเอกสารวิจัยขึ้นมาเราก็ได้ขอเข้าเฝ้าเพราะว่าจะได้รับทราบในส่วนของพระองค์จากปากคําเล่ามาบ้างจากเอกสารที่เขียนมาบ้างแต่จากพระองค์เองนั้นไม่เคยได้รับการบอกเล่ามาก่อนเราก็ได้ขอปรับบังคมทูลขอเฝ้าถามคําถาม2 0่สคําถามพระองค์ทรงเล่าเรื่องให้ฟังหมดว่าตั้งแต่เสด็จที่วัดพระนครมานั้น มีอะไรเกิดขึ้นยังไงซึ่งมีอะไรหลายอย่างที่เราเปิดเผยไม่ได้พระองค์ท่านก็บอกวันนี้เล่าอย่างหมดเปลือกเลยใช้ดุลพินิษ์เอาเองก็แล้วกันว่าอะไรควรจะเปิดเผยอะไรควรจะไม่เปิดเผยเพราะมีเรื่องการเมืองอยู่ด้วยแต่อย่างไรก็ตามในส่วนที่เปิดเผยนั้นก็ในส่วนที่เป็นพระราชกณียกิจ เราก็ถามบอกว่าปีอยู่ช่วงหนึ่งคือหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครมาแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จออกต่างจังหวัดเลยพระองค์ท่านก็ทรงเล่ามาว่าตอนเสด็จนิวัตรพระนครมาใหม่ๆนั้นสภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ยังไม่เข้าที่เข้าทางเครื่องไม้เครื่องมือพระองค์ก็ไม่มีพระองค์ท่านรับสั่งเหมือนไม่มีแขนขวา สำนักราชเลขาก็ไม่มีเพราะฉะนั้นช่วงตอนแรกจะให้พระองค์ท่านทำอย่างไรพระองค์ท่านก็อยู่ในสภาพที่ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามก็ทรงเล่าให้ฟังว่าได้ประกอบพระราชกรณียกิจไปตามเท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวยตอนนั้นก็ส่งเล่นกล้องถ่ายภาพถ่ายภาพยนตร์อะไรต่างๆหลายท่านคงจะทราบว่า เคยมีภาพยนตร์ส่วนพระองค์ออกมาฉายเก็บเงินท่านทราบไหมว่าเงินที่ได้จากการถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ทั่วประเทศนั้นได้เงินมามากทีเดียวเราได้สร้างตึกสภากาชาติไทยที่โรงพยาบาลจุฬาหลังหนึ่งแล้วก็สำหรับเรื่องโปลิโออีกส่วนหนึ่งเรื่องคนโรคเรื้อนก็ได้รับไปส่วนหนึ่งแล้วก็โรงพยาบาลภูมิพลก็ได้รับไปส่วนหนึ่ง จากภาพยนต์สวนพระองค์นี่เองและนอกเหนือไปจากนั้นก็มีเรื่อค้นคว้าอะไรต่างๆส่งเล่าให้ฟังว่าน้ําเกลือสมัยก่อนหายากคุณสมบัติก็ไม่ดีราคาแพงพระองค์ได้พระราชทานเงินสวนพระองค์ให้จำนวนหนึ่งให้ไปค้นคว้าทำน้าเกลือขึ้นมาเองภายในประเทศเป็นครั้งแรกและน้าเกลือนั้นก็มีคุณสมบัติอย่างดี ซึ่งสามารถใช้ได้ในราคาถูกได้มาเป็นรากฐานอุตสาหกรรมน้ำเกลือทางด้านการแพทย์จนกระทั่งทุกวันนี้สิ่งต่างๆนี้เราไม่ทราบเลยพอมาระยะที่สองพระองค์ท่านก็เสด็จประพาสต่างจังหวัดออกไปในภาคกลางแถวสุพรรณบุรีแถวอ่างทองเป็นครั้งแรกต่อจากนั้นก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้สิ่งที่พระองค์ท่านรับทราบจากประชาชนคืออะไรประชาชนมาถวายดีกาก็หมายความว่าเอาทุกข์ร้อนมาระบายใส่พระองค์ท่านซึ่งเราก็รับทราบกันอยู่แล้วว่าบ้านเมืองของเรานั้นเป็นเกษตรกรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นคําว่าเกษตรกรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องน้ําถ้าไม่มีน้ําก็ทํานาไม่ได้ ท่านทราบไหมว่าทั่วทั้งประเทศของเราพื้นที่การเกษตรมีน้ำพร้อมเพียงคืออยู่ภายใต้โครงการของกรมชลประทานสักกี่เปอร์เซ็นต์มีเพียง20เอร์ซนเท่านั้นเองที่ไม่ต้องแหนางแมวยิงบ้างไฟหมายความว่ามีน้ำปลูกข้าว 2-3 ถึงครั้งได้อีก80อร์เซ็นต์ที่เหลือของประชาชนทั่วประเทศนั้น มีชีวิตแขวนอยู่กับนางแมวกับเทวดาเพราะฉะนั้นชีวิตแขวนอยู่กับความยากจนและความไม่แน่นอนทั้งสิน้นพระองค์ท่านก็ทรงจับประเด็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องน้ำนั้นเป็นเรื่องสำคัญก่อนสิ่งใดทั้งสิน้นก่อนที่จะลงมือทรงทำอะไรนั้นพระองค์ทรงงานอย่างเป็นระบบทีเดียวท่านทรงมีวิชาการเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวันทั้งสิน้น ทรงเริ่มศึกษาก่อนศึกษาสองอย่างด้วยกันอย่างลึกซึ้งคือประการที่หนึ่งเรื่องแผนที่เพราะการพัฒนานั้นจะต้องรู้จักภูมิประเทศพระองค์ท่านรับสั่งว่าเราจะต้องให้ความเคารพต่อภูมิสังคมของประเทศก่อนที่จะไปทำอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องกระเลียงหรืออะไรก็แล้วแต่ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นต้องดูแผนที่อย่างละเอียดประการที่สองศึกษาเรื่องน้ำเมื่อสองอย่างพิจารณาร่วมกันก็สามารถจะกำหนดได้ทันทีแล้วว่าอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรจะสร้างน้ำแค่ไหนน้ำจะส่งไปทางไหนอย่างไรส่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำคนหนึ่งของประเทศ พอยกตัวอย่างถึงความเชี่ยวชาญของพระองค์เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมาเป็นเวลาช้านานปรากฏว่าพระองค์ท่านทรงทนไม่ไหวที่จะเห็นปัญหาคาราคาซาังอยู่อย่างนั้นก็ทรงลงมาช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศปรากฏว่าน้ำเหนือที่มันหลากลงมากับน้ำทะเลที่มันหนุนขึ้นมาเกิดการท่วมเจิ่งขึ้นมาโดยเฉพาะบริเวณด้านเหนือของกทม ทางด้านทิศเหนือตะวันออกของกรุงเทพคืออยู่ในก้นกระทะพระองค์ท่านรับสั่งว่าคนเรามนุษย์เราเองคือรู้ว่าเป็นกระทะก็ไปสร้างบ้านอยู่ในกระทะน้ำท่วมจึงมานั่งบนกันพระองค์ท่านจะทรงใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างหลักการของอะไรต่างๆนั้นทรงใช้หลักของประชาชนที่มีอยู่เดิมนี้มาเป็นหลัก ใช้สิ่งสภาพที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งสิน้นแต่ว่าเรามาปรับออกแบบรูปร่างให้มันสอดคล้องกับภูมิประเทศ mm hmm. เพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์ท่านทรงมีความละเอียดอ่อนมากถึงจะเห็นมามากแต่ไม่เคยเห็นผูดด้ใดเท่ากับพระองค์ท่านเลยในด้านของความละเอียดอ่อนทรงมองปัญหาบางทีเรามองระบอกเรามองไกลแล้ว ลองท่านมองไปอีก 2-3 สขั้นด้วยซ้ำไปซึ่งจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือทรงทุ่มเททรงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหาทางออกแก้ไขปัญหาของชาติและประชาชนปีหนึ่งสเสด็จที่เขตติดต่อเชียงใหม่ลำพูนเสด็จไปจนกระทั่งไม่มีทางไปโดยสิ้นสุดที่หมู่บ้านก็ปรากฏว่า เข้าไปที่นั่นทุกคนก็ไม่รู้ว่าพระองค์ท่านมาที่นั่นก็ปรากฏว่าสามปีที่นั่นฝนไม่ตกเลยฝุ่นดินลูกลังมีท่วมข้อเท้าเราทีเดียวคือมันเกือบจะเป็นทะเลทรายชาวบ้านอยู่สภาพแห้งแล้งทุ่งนานี่เหลืองไปหมดดูมันก็สวยดีแต่ว่ามันเป็นเรื่องทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงทราบในพื้นที่นั้น ยังไงก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ไปที่นั่นพวกเราก็ไม่ได้เคยไปพระองค์ท่านก็ไม่เคยไปลงไปถึงไปถามชาวบ้านว่าไปต่อได้ไหมพระองค์ทรงต้องการไปถึงชายเขาเลยเพื่อจะไปดูว่าจะสร้างอ่างตรงไหนเพราะตรงนี้แห้งแล้งเหลือเกินชาวบ้านเองที่อยู่ในบ้านนั้นทูลว่าไปไม่ได้ พระองค์ท่านกางแผนที่มานั่งดูแล้วบอกเดี๋ยวตามฉันมาทรงพาลงไปในลำห้วยตัดลงไปในทุ่งนาไปจนถึงชายเขานั้นโดยดูแต่แผนที่เท่านั้นเองทรงรู้ทางหมดว่าร่องไหนไปร่องไหนพอไปถึงพระองค์ก็ทรงอธิบายบอกว่าตรงนี้เป็นช่องว่างของการพัฒนาทำไมพระองค์ถึงรู้ ข้าราชการที่อยู่ที่นั่นถามเคยมาหรือเปล่าถามผู้นำมาเคยมาหรือเปล่าไม่เคยท่านรองมาหรือเปล่าในอาเภอมาหรือเปล่าไม่เคยเจ้าหน้าที่ชนระทานมาหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยมีใครเหยียบย่างไปที่นั่นชาวบ้านถูกละทิ้งไปโดยสิ้นเชิงแล้วปรากฏว่า โครงการชรบททานอันใหญ่ๆนี่มาสิ้นสุดตรงนั้นแล้วมีช่องว่างอยู่ตรงกลางซึ่งชาวบ้านเขาไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการไหนทั้งสิ้นเลยทำไมพระองค์ทรงทราบไม่มีใครรู้แม้กระทั่งข้าราชการที่ทำงานอยู่ทุกวันทำงานเพื่อประชาชนด้วยเช่นกันเขายัางไม่รู้เลยว่าทำไมถึงทรงมีพระอัจฉริยะอย่างนั้นท่านเชื่อไหม เป็นเรื่องน่าแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้ง 6-7 ถึงปีที่ถวายงานอยู่ฝนไม่เคยตกมาเป็นเวลาสปีพอทรงงานประชาชนไม่รู้เลยว่าเสเด็จทรงบอกให้สร้างอ่างตรงนั้นที่อ่างน้ำแมท่ทิพอมีพระราชกระแสสรับสับ่งเสร็จก็พระราชดดำเนินกลับมาที่หมู่บ้านชาวบ้านรู้ก็เอาโต๊ะมาตั้ง เอาดอกไม้มาตามมีตามเกิดเอาขันธ์น้ำมาตั้งบูชาพอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงประชาชนเชื่อไห่ว่าอากาศอยู่ในลักษณะไม่มีเขาฝนอย่างนั้นฝนตกลงมาสู้ใหญ่อย่างชนิดที่ว่าหลบกันไม่ทันเปียกโชกกันไปหมดซึ่งถ้าพูดทีไรขนลุกทุกที ชาวบ้านโอบพระบาทซบลงไปกับพระบาทแล้วร้องไห้เลยแล้วบอกว่ารอฝนมาเป็นเวลาสามปีฝนไม่เคยตกเลยแล้ววันนี้พอพระองค์ท่านสเสด็จมาฝนก็ตกแล้วเกิดเหตุอย่างนี้เกิดนับครั้งไม่ถ้วนในลักษณะนั้นฝนตกอยู่เดี๋ยวแดดก็ออกเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าประหลาดซึ่งบัตรนี้ ช่วระยะเวลาเพียงปีเดียวเวลานี้ชาวบ้านแม่ทิซึ่งเคยแห้งแรงมาก่อนเวลานี้ได้น้ำได้ท่าไปในลักษณะทันทีทันใดก็ว่าได้ขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าทางรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าทางโครงการพระราชาํำริซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชกรนียกิจทางด้านนี้มาประมาณ30กว่าปีแล้ว ไม่มีศูนย์กลางในการประสานงานเลยเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆพอมีพระราชดำริขึ้นมาทากันไปเรื่อยบางทีพอพระองค์ท่านมีพระราชดำริก็ว่าเสียเรื่องใหญ่เลยบางทีมาถึงท่านก็บอกว่าเอ๊ะนี่ใครดำริไม่เห็นดูเรื่องเลยคือไปเติมดำริของตัวเองเข้าไปบ้าง อะไรต่ออะไรเข้าไปบ้างจนกระทั่งขยายไปใหญ่จนกระทั่งพระองค์ท่านทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่าพวกนี้เขาทำเกษตรผักชีกันบางคนกลับบังคมทูลว่าไม่ได้ปลูกผักชีพุทธเจ้าข้าปลูกผักพระองค์ท่านรับสั่งว่าไม่ใช่เกษตรผักชีก็ยังไม่รู้อีกไม่มีผักชีพุทธเจ้าข้า มีแต่ผักก็เพราะว่าบางครั้งที่รับพระราชดำริไปก็ไม่คิดไม่อะไรก็ลุยกันไปเสร็จแล้วก็ทำไปไม่ได้มีหลายอย่างแต่ระยะหลังพอตั้งสานักงานมานี่จะพระราชทานชื่อมาเองว่าต่อไปนี้ให้ใช้คำว่าโครงการใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากพระราชดำริของพระองค์นั้นให้ใช้คำว่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริความหมายของพระองค์มีในแง่ที่แสดงให้เห็นถึงความทอมพระวรากายทอมพระองค์อย่างยิ่งเลยในเรื่องงานเพราะว่าพระองค์ท่านรับสั่งว่าโครงการตามพระราชประสงค์นั้นเป็นการบังคับกันเมื่อเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินทุกคนก็ต้องทําเป็นการบังคับกัน พระราชดาริพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าแรงไปอีกอันเนื่องมาจากพระราชดาริดีกว่าพระองค์ท่านรับสั่งฉันเป็นที่ปรึกษาใหญ่ที่ปรึกษาของชาติเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์พระราชทานพระราชดาริไปนั้นเป็นเรื่องของหน่วยราชการคือพวกเราต้องนำกลับไปคิดอีกทีหนึ่ง แล้วดูซิว่าเหมาะสมไหมเป็นไปได้ไหมทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่าได้เปรยรับไปกราบบังคมทูลว่าไม่เหมาะไม่ควรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้ใช้คำว่าอันเนื่องมาจากพระราชดดามริจำได้ว่าพอรับงานมาสักสองสเดือนแรกมีโครงการอันหนึ่งทางภาคใต้ เราไม่เห็นด้วยเลยไม่มีในประวัติมาก่อนไม่มีในขนบประเพณีมาก่อนที่จะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปกลับบังคมทูลว่าสิ่งที่มีพระรัชดำริมานั้นเราไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่างโน้นอย่างนี้แต่ในฐานะนักวิชาการก็โกหกตัวเองไม่ได้เช่นกันหลังจากวิเคราะห์แล้วเห็นว่า เป็นไปไม่ได้ในโครงการนี้วันนั้นจึงตัดสินใจถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ก็เสียงว่าเอาคอไปพาดกับเขียงหรือเปล่าคอขาดหรือไม่คอขาดแต่สมัยนี้จะส่งกลิ้วหรือไม่ส่งกลิ้วเท่านั้นเองเข้าไปกล่าว บ, บังคมทุนว่าตามที่มีพระราชดำริในเรื่องนั้นๆเราได้วิเคราะห์แล้วปรากฏว่า ออกมาในลักษณะนี้ซึ่งคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าไงรู้ไหมอืมรออย่างนี้มานานแล้วรอมาเป็นเวลาสิบปีแล้วฉันก็นึกว่าฉันทำอยู่นี้มันดีอยู่ตลอดเวลาเพราะพุทธเจ้าค่าพุทธเจ้าค่าผักชีปแปลงแล้วแปลงเล่าเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วเวลานี้ เพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ที่ฉันรอคอยมาให้บอกมาเลยว่าสิ่งที่รับสั่งนั้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรมานั้นให้แจ้งกลับมาปรากฏว่าเลยเป็นที่ไว้วางพระราชาฤิรไทยตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาคือเสียงนิดเดียวก็ได้ชื่อว่าทีมนี้ไม่โกหกอย่างน้อยดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดี ก็เลยถวายงานมาเรื่อยจะขอเล่าเรื่องในวันแรกที่เข้าถวายงานซึ่งเป็นวันแรกที่เข้าไปถวายตัวการทำงานของพระองค์นั้นจะต้องเข้าไปถวายตัวทั้งกลุ่มพระองค์ท่านรับสั่งว่ายังไงจำได้เลยว่ามาทำงานกับชั้นนั้นไม่มีอะไรจะให้นอกจากความสุขที่จะร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น เพราะฉะนั้นจะได้เห็นถึงปรัชญาหรือหลักการของพระองค์ท่านและพวกเราก็จะต้องดำเนินการตามนั้นคือทำอย่างเดียวพระองค์ท่านรับสั่งต่อไปอีกครั้งหนึ่งว่าฉันนับถือรัทธิเรื่อยสองคำเท่านั้นเองรัทธิเรื่อยเราก็สงสัยว่ารัทธิอะไรเรื่อยบอกจะมาสมัครเป็นสมาชิกไหมเราก็ต้องสมัคร เพราะว่าเป็นข้าราชการที่จะต้องถวายงานอยู่แล้วพระองค์รับสั่งลัทิเรื่อยๆคืออะไรทำเรื่อยๆใครว่าอย่าไปสนใจฝากไว้ด้วยเพราะเราทำแล้วต้องถูกว่าจัดนิทรศการคราวนี้ต้องมีคนถูกว่าธรรมดาของการทำงานเพราะฉะนั้นลัทิเรื่อยๆก็คือทำไปเรื่อยๆ ถูกว่าถ้าเห็นว่าผิดก็กลับไปทำใหม่ย้อนกลับมาที่ตั้งต้นใหม่ทำใหม่อย่าไปสนใจอะไรทั้งสิ้นเพราะถ้าสนใจอะไรไปแล้วจะไม่มีกำลังใจที่จะทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้มันเป็นไปในลักษณะเรื่อยๆแล้วมีพระราชกระแสไว้ว่า ในการทำงานนั้นจะต้องกระทำด้วยความร่าเริงรื่นเริงสนุกสนานงานนั้นถึงจะมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นสามคำนี้ลองไปคิดให้ลึกซึ้งจะมีความหมายจะไม่เหมือนกันด้วยความกระตือรือร้อนงานนั้นจึงจะมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการทำงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องติดตามพระราชดำมรีไป เป็นการตามรอยเบื้องพระยุ ค, คลบาททำด้วยความสนุกสนานพระองค์เวลามีเป็นพิธีการนั้นก็เห็นว่าทรงซีเรียสแต่ความจริงพระองค์ทรงมีพระอารมณ์ขันอย่างมากเลยเพื่อให้การทำงานมีบรรยากาศสนุกสนานเราโตที่ต่างประเทศไปต่างประเทศตั้งแต่อายุ14กลับมาอายุ30สิ ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนานไม่เคยคิดเลยว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงงานหนักอย่างนี้เราเคยแต่อ่านนิทานนาวนิยายอะไรทํานองนั้นมาก็ไม่คิดว่าพระเจ้าแผ่นดินจะต้องยากลําบากอะไรในลักษณะนั้นเรียนตามตรงเลยว่าตอนแรกที่รัฐบาลมาแต่งตั้งให้รับตําแหน่งไม่เคยนึกมาก่อนว่าสถานะของพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทย จะลงมาคลุกกับดินกับทรายกับประชาชนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนตราบใดที่ยังแก้ไม่ได้รับรองเราจะถูกเครียกอยู่ตลอดเวลาติดต่อกันเป็นวันวันคืนคืนเลยจนกระทั่งแก้ไขปัญหานั้นตกเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่อยากจะอธิบายถึงความรู้สึกที่ว่า ต่อไปนี้อย่าเห็นพระเจ้าอยู่หัวเฉยๆต้องมองดูทรงเป็นผู้นาหมดในทุกอย่างสำหรับเรื่องของการประหยัดนั้นบางทีเราประกาศกันให้ประหยัดครูอาจารย์ก็สอนให้ประหยัดแต่ก็อดไม่ได้เดี๋ยวก็ซื้อเสื้อซื้อผ้าแก้วแหวนเงินทองปรากฏว่าเมื่อดูเข้าไปลึกซึ้งจริงๆดูให้อย่างมีประโยชน์แล้ว ไม่มีอะไรจำเป็นจริงๆเลยพระองค์ท่านทรงเป็นผู้นำแนวเรื่องนี้อย่างแท้จริงดูแค่ฉลองพระบาทพวกที่ตามเสด็จทั้งหลายใส่รองเท้านอกและยิ่งมาจากต่างประเทศใส่แล้วนุ่มเท้าดีพระองค์ทรงอะไรผลิตในเมืองไทยแม้กระทั่งพวกเรายังไม่ซื้อใส่กันเลยคู่ราวร้อยกว่าบาทสีดำเหมือนอย่างที่นักเรียนใส่กัน ดูสิพระมหากษัตริย์ซื้ออะไรก็ได้อย่าดูพระองค์เฉยๆแต่มองให้ละเอียดถี่้วนเราจะเกิดความประทับใจในพระองค์ฉลองพระองค์ปีแล้วปีเล่า6ถึง7ปีก็เป็นองค์นั้นจำได้ว่ามีอยู่3มองค์มีสีเทาแล้วก็ลายๆสีน้ำตาลแล้วก็อีกองค์หนึ่งสีน้ำเงินวันหนึ่งเป็นการละลาบละลวงมาก ที่ครั้งหนึ่งมีโอกาสได้เข้าเฝ้าในพระราชวังเป็นการส่วนพระองค์ก็นั่งถวายงานทรงฉลองเสื้อเชิ้ตปรากฏว่าคอเสื้อเชิ้ตของพระองค์ซึ่งถ้าเป็นเราเราทิ้งแล้วนาฬิกาเรือนละไม่กี่ร้อยทรงใช้ดินสอปีหนึ่งกองการในพระองค์ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์บุตรีบอกว่า ปีพระองค์เบิกติณซ้อสิแท่งเตือละแท่งใช้จนกระทั่งฝุตใครอย่าไปทิ้งของท่านนะส่งกลิ้วเลยท่านทรงประหยัดทุกอย่างเป็นต้นแบบทุกอย่างทุกอย่างนี้มีค่าสําหรับพระองค์หมดทุกบาททุกสตางค์จะใช้อย่างระมัดระวังจะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบแม้กระทั่งท่งแร่นเรือใบ ท่งเล่นเรือใบก็ส่งต่อเรือเองไม่ใช่ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเศรษฐีสั่งเข้ามาเลยแต่ส่งต่อเองบอกนิ้วพังหมดเลยเล็บถึงขนาดหลุดเข้าไปตอผิดตอถูกพระองท่านรับสั่งเกิดมาก็ไม่เคยตอกตะปูเลยตอกเข้าไปบางทีก็ไปโดนเอาพระหัส น, นิ้วเป็นแผลจะเห็นได้ว่าทรงทุ่มเท แล้วก็ยากที่เราจะปฏิบัติตามได้ทรงบรรทมวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงและเวลาเสวยเกือบจะไม่ทอดพระเนตรดูว่าอะไรอยู่ในจานข้างหน้าไม่ทรงเติมน้ำปลาอะไรเลยวางข้างหน้าก็เสวยง่ายที่สุดเรื่องเสวยจะขอยกตัวอย่างที่เขาคออเมื่อหลายปีที่แล้วก็มีทั้งงานพิธีในงานที่จะเสด็จไปในท้องที่ และไปตรวจดูโครงการในนั้นด้วยงานก็ต่อเนื่องกันเราก็ไม่มีเวลาจะกินข้าวประมาณหลังเที่ยงนิดหน่อยก็ขึ้นมาแยากเป็นสองขบวนสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ไปดูทางด้านสัตว์ป่าอนุรักษ์ส่วนพระองค์ก็ยกขบวนมาเราก็ตามขบวนพระองค์ไปทรงมีรับสั่งว่าให้แวนที่ตำหนักนิดนึง จะเปลี่ยนฉลองพระบาทเพราะว่าตอนงานพิธีนั้นก็ทรงเต็มยศพระเปิดอนุสาวรีแล้วก็เปลี่ยนฉลองพระบาทเป็นฉลองพระบาทพระใบอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้ก็ปรากฏว่าพวกเราก็ตามขึ้นมาคือพวกเราบ่ายสองโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวกันพระองค์เปลี่ยนฉลองพระองค์อย่างมากก็สิบนาที เราเขารีบกระโดดผางขึ้นมาเลยปรากฏว่าเขากินกันหมดแล้ววันนั้นจําได้ว่ามีข้าวผัดกับไข่ดาวมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็มาถึงแล้วก็บอกว่ามีวางอยู่จานหนึ่งตักไว้เรียบร้อยแล้วและมีไข่ดาวโปะหน้าข้าวและมีต้นหอมสองต้นวางไว้ก็คว้า ม, มาเลยมีคนบอกว่ายายา ของพระเจ้าอยู่หัวดูสิเรารับประทานอย่างไรพระองค์ท่านก็สเสวย อ, อย่างนั้นเห็นไหมไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยทรงสเสวย อ, อย่างง่ายได้ทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าทั้งสิ้นสิ่งที่เล่านี้มันเป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจให้ที่สุดในระหว่างที่ถวายงานพระองค์ความเรียบง่าย ความประหยัดความมีวินัยคณาจารย์ก็ดีนักศึกษาก็ดีสิ่งนี้มีความสำคัญมากความมีวินัยเพราะว่าวินัยกับสมาธินั้นเป็นของคู่กันไม่มีวินัยไม่มีสมาธินี่ก็ไม่ได้พระองค์ท่านเวลาทำงานนั้นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องหลักทีเดียวทรงบริหารเรื่องสมาธิอยู่ตลอดเวลา พระองค์ทรงมีวินัยในการทำงานมากเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทรงอยู่ในกรอบของวินัยอย่างมากแม้กระทั่งการบริหารร่างกายต่างๆนอกเหนือไปจากทศพิธราชธรรมนั้นในแง่ของพระวรากายเองยังต้องมีเรื่องสมาธิเรื่องวินัยเข้ามาประกอบอีกด้วยเพราะฉะนั้นจึงคิดว่า เป็นโชคอย่างมหาศาลเหลือเกินของประชาชนชาวไทยที่คิดว่าไม่มีประเทศไหนเราไม่ควรจะอิจฉาคนในประเทศไหนเลยซึ่งตัวเองเติบโตในต่างประเทศใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมาประมาณ1ิปีกว่าเดินทางไปทั่วแล้วไม่เคยผูกพันกับประเทศไหนทั้งสิ้นเลยคิดว่า ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะเป็นสวรรค์เท่ากับที่บ้านเราเช่นนี้ความภาคภูมิใจต่อประมุขของประเทศในลักษณะที่เรามีอยู่ที่เราพูดอย่างง่ายๆว่าในหลวงของเรานี้นะคิดว่าทั้งโลกรู้ไม่ใช่ว่าในประเทศนี้เท่านั้นต่อให้ทั้งโลกที่จะหายากเหลือเกินที่จะหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นจะมีความเสียสละให้กับชาติบ้านเมือง ให้กับประสกนิกรให้กับทุกคนเหมือนกับในหลวงของเราพระองค์นี้